สิ่งใดที่เข้าไปยึดติดถือมั่นจะไม่ให้โทษนั้นเป็นไม่มีอาจารย์วสินอินทัศรสิ่งใดที่เราเข้าไปเกี่ยวพันยึดมั่นถือมั่น สิ่งนั้นก็ทําให้เรามีปัญหานะเป็นโทษสําหรับเราทั้งนั้นแหละคาว่าเป็นโทษเป็นภัยนะั่นก็คือทําให้จิตใจเราเนี่ยเป็นทุกข์ชีวิตของเราที่มีความทุกข์มีปัญหาก็เป็นเพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความอยากมีตัณหา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 ไม่ต้องแบกภาระอะไรไว้มันเป็นการง่ายที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขชีวิตของเราเนี่ต้องใช้แบบง่ายๆอยู่แบบง่ายๆ่นี่อย่ามีความผ่อนคลายแล้วก็เบาสบายบางทีเราอาจจะต้องเกี่ยวข้องคือการทํางานการเข้าไปเกี่ยวข้องกับงาน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 ทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจมันไมเนเพียงแค่อารมณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปซึ่งเราไม่สามารถที่จะเลือกได้บังคับควบคุมก็ไม่ได้อารมณ์เขาก็เป็นอยู่ยงั้นมันมีการแปรปรวนเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงตามอาการของสิ่งท่งางยทั้งปวงนี่แหละเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรารู้จักทาใจ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 งานที่ลำบากถ้าเรามองว่าเออนี่เป็นงานบุญเราทำให้เราได้บุญใช่ไหมใจมันก็จะเบานะเรื่องของบุญเนี่ยวางใจดีๆเป็นเรื่องทำให้ใจเราเบาได้มันจะตั้งใจใเต็มใจทำงานแบบมีความสุขเพราะใจมีความสุขอารมณ์ต่างๆที่มากระทบถ้าเรามองเห็นว่าเออนี่คือสิ่งที่มาให้จิตมันรู้มาให้เราเจริญสติมาให้เราภาวนา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 บางทีอาจจะเป็นอารมณ์อดีตซึ่งเราได้ผ่านมาแล้วคำว่าอดีตนี่ก็คือสิ่งที่ผ่านไปแล้ววินาทีที่แล้วนาทีที่แล้วชั่วโมงที่แล้ววันที่ผ่านไปแล้วสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วเดือนที่ผ่านไปแล้วปีที่ผ่านไปแล้วชาติที่แล้วอันนี้คืออดีตอารมณ์ทางนั้น่ะมันก็ย่อมมีการเกิดขึ้นได้ในขะบปัจจุบัน ถ้าเราขาดสติขาดความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะฟังจิตฟังใจฟังตัวเราเข้าไปอยู่ในอารมณ์อดีตเลยที่ผ่านไปแล้วเข้าไปอยู่เข้าไปเป็นเลยใจมันก็หนักใจมันก็ทุกข์เรียกเป็นการยึดติดมันก็เกิดมีปัญหาใจเราก็เป็นปัญหาบางทีอาจจะมีอารมณ์มากระทบจากอารมณ์ที่เราคิดถึงอนาคต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 ความพอใจไม่พอใจก็ไปเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นตัณหาเป็นธรรมที่จะต้องละการรู้แต่ละครั้งต้องกับเป็นการละไปในตัวเสร็จละเพราะเรารู้ทันรู้เพื่อที่จะละโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเลยไม่ต้องไปทำอะไรกับกิเลสเพียงแค่รู้มันก็มีการละอยู่ในตัวแล้วกิเลสเป็นเพียงสิ่งที่มาให้เรารู้เท่านั้น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 รู้แบบปล่อยๆว่างๆอารมณ์เหล่านั้นก็จะผ่านเวลามีเกิดอาการพอใจหรือไม่พอใจซึ่งเป็นอารมณ์ที่มากระทบท่านั่นจิตใจแต่ถ้าเรามีสติรู้เฉยๆอารมณ์เหล่านั้นก็จะหลุดไปแค่รู้มันก็ละแล้วเพราะนั้นอารมณ์ต่างๆจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดี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 ซึ่งเป็นงานภายนอกแต่การเจริญสติที่เป็นงานภายในแค่รู้นี่ก็สบายสบายแล้วทุกมีอยู่แล้วในตัวเราไม่ต้องไปหาถ้ามีสติรู้เป็นการเจริญสตินะ้่ายไหปัญหามันย่อมเกิดขึ้นเป็นขณะขณะเป็นความพอใจไม่พอใจเป็นสิ่งที่เราต้องละไม่ต้องไปทำอะไรกับตัญหาแค่รู้มันก็มีการละอยู่ในตัวแล้ว ทุกครั้งที่เรารู้ทุกระเหตุของความทุกข์ความหลุดพ้นซึ่งเป็นมิมุติก็มีเกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นทุกครั้งที่รู้เนี่ยมันก็เป็นมิมุติอยู่ในตัวชั่วขณะหนึ่งถ้ารู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆกับอารมณ์ต่างๆมันก็หลุดบ่อยๆด้ว ย, ยมันสบายเลยง่ายกว่าการขับรถเลยนะเนี่ยก็เคยมีกุสินินาถเนี่ยพ า, ายาติธรรม ไปที่วัดป่าสุกโตอารถใบฟ้าที่อาศัยการบังคับควบคุมโดยมือเนี่ยที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเอาไปมอบให้ที่วัดป่าสุกโตพร้อมญาติธรรมร้ายคนผมก็ลองนั่งดูก็คิดว่าเออมันคงจะยากเนาะเพราะสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยสัมผัสคงจะบังคับควบคุมไม่ถนัดกูสีหน้าเธอก็บอกว่าอาจารย์การจิติสติเนี่ยมันยาก าการบังคับรถไฟฟ้านี่ด้วยนะโอ้โหไอเราก็คิดว่าการเจริญสิเนี่มันง่ายที่สุดแล้วเนี่ยยังมีอะไรที่มันง่ายกันนี่อีกเลย <c oughs> ก็ลองเลยถอยือโอกาสลองควบคุมเลยนั่งบนรถไฟฟ้าแล้วก็ควบคุมไปลงจากกุติไปประมาณห้าร้อยเมตรควบคุมไปที่สาลากไก่ก็พอดีมีญาติธรรมที่มาอยู่ปฏิบัติเป็น ได้ทําจากโรงพยาบาลบุรีรัมม์มีคุณหมอมีคุณพยาบาลมีเจ้าหน้าที่เที่อกาศไปพูดคุยธรรมะเลยนั่งรถไฟฟ้าคันเนี้ควบคุมไปแล้วก็ไปพูดคุยธรรมะผู้เสด็จ ก, ก็กลับมาบังคับรถกลับมาที่กุงิผมว่ามันยังยากกว่าการจิตตินะอย่างไรก็ตามจนป่านนี้ผมใช้รถไฟฟ้านี่มาต้องห้าปีแล้วผมก็ยังว่า ยังยากกว่าการจริสติอีกการจริะสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายถ้าเรารู้จักวางจิตวางใจยให้ถูกต้องสิ่งที่เราคิดว่ามันยากก็กลายเป็นง่ายไปทันที